บนแรงก็ไม่ดีท่วมก็ไม่ดีหนาวก็ไม่ดีร้อนก็นไม่ดีมนุษย์มนาน่าแตนว่ามนุษย์นี่ขี้บนขี้จมเหลือเกินทั้งจมทั้งบนอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นไอ้ผู้ที่จะแต่งฟ้าฝนมาให้กูไม่รู้จะเอาอย่างไงพญาแถนอยู่บนฟ้าไม่รู้จะแต่งมาให้ยังไง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 ปี88เนี่ยเพ่าสงคารามสงบจุดสงคารามญี่ปุ่นปี2000 2488สงคารามสงบนะปีนั้นนะเริ่มสงบนะนี่แหละหลวงพ่อก็เกิดในปีนั้นพอดีถ้าเกิดก่อนหน้านี้นหลวงพ่อคองจะลำบากคนกันนะพ่อแม่แต่เราไม่รู้รเราเป็นเด็กเออมีแต่เขาหอบไปหอบมาเวลาเขา